ปฏิบัตินิดหน่อยก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติได้มากก็เปลี่ยนมากบางคนเปลี่ยนจนจําจตัวเองไม่ได้แต่เดิมร้ายมากเลยส่องกระจกแล้วก็หูเห็นแต่หนางมาร้ายถ้าภาวนาไม่เป็นไม่เห็นนะหนางมาร้ายเนี่ยเห็นแต่คนสวยคนงามคนดีคนวิเศษอาหารได้นิดหน่อยก็เริ่มเห็นตัวมาร้ายค่อยฝึกไปเรืนะ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 ้็ทำได้ 1,200 ร้ล้านยินดีที่ได้1ัน0ร้ล้านก็ยังสันโดษอยู่ได้800ร้ล้านนะก็ยังสันโดษอยู่ก็ยังพอใจถ้าตั้งเป้า 1,000 ล้านแล้วได้เก้าร้อยล้านเ้วเสียใจไม่สันโดษนั่นสันโดสนี่เป็นสันโดษในผลนี่เราลองสำรวจตัวเรานะเราเป็นคนปรารถนาน้อยมากน้อยไหมหรือมากๆเรายินดีในสิ่งที่เราได้รับ